เ่นฟังค่ะรายการสัมมนาสนท น, นารับอารณ์ทางครอบรครัวข่าว f m ฟกันมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะคะโดยการให้สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษานั่นก็คือเข้าถึงธรรมะของพระศาสดาซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะรู้แต่ว่า เ, าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสเราก็ใส่บาตรบ้าง เราก็ไปทาบุญสะดระเคราะห์เวลาเรารู้สึกไม่ดีบ้างเราก็ทาบุญวันเกิดเวลาถึงครบรอบวันเกิดหรือว่าวันสำคัญอื่นๆบ้างแล้วเราก็ไปฟังสวดก็ได้พบกับพระอยู่แล้วตามงานศพต่างๆหรือว่าตามมงคลตามงานมงคลแต่การเข้าถึงคำสอนแบบนี้เนี่ยดิฉันว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งแล้วเราก็จึงอำนวยความสะดวกอำนวยประโยชน์ให้กับคนที่ไม่มีเวลา ที่จะไปสแสวงหางความรู้จักครูบาอาจารย์ผ่านทางเครื่องมือสื่อสารและเดี๋ยวนี้เครื่องมือสื่อสารก็มีเยอะนะคะพระวิสุทธ์ที่จัดรายการที่นี่ทั้งสองรูปเนี่ยท่านก็ได้ใช้เทคโนโลยีในทางที่จะประกาศธรรมคำสอนของพระศ า, าสดาให้แร่ขยายกว้างขวางเกิดประโยชน์กับพุทธศาสนิกชน วันที่เราก็จะมาพบกับพระภิกษุรูปที่2กันกแล้วนะคะ น, นก็คือพระพบูบุญอภิปุโนท่านก็กําลังอยู่ในห่วงเวลาที่กํากับดูแลผู้มาหลีกเร่นจากประเทศลาวทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปกราบนามัส ก, การท่านเผื่อท่านจะเล่าให้เราฟังว่าใครกันนะมาปฏิบัติธรรมจริงหรือเปล่าเป็นคนลาวมากันยังไงนะคะไปกราบนามัส ก, การท่านกันเลยคะ่ะกรับมามัสการกันท่านภัยบุญค่ะเชิญพาค่ะอืมดิฉันพูดถูกไหมคะนะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสไปหลวงประบาง กับหลวงพ่อดรท่านเจ้าวาดก็ไปด้วยกันแล้วก็ได้แสดงธรรมที่นูน่นะแล้วก็เลยมีผู้ปฏิบัติหรือว่าชาวหลวงพระบางนี่แหละแล้วก็คนคอนเวิงจันท์ด้วยได้มาตามมาที่จะมาหลีกเร้นนะที่วัดในช่วงวันที่17ถึง25วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายพอดีแล้วก็ในการนี้ก็จะมีะะชาวหลวงพระบางกับชาวเวยงจันทร์มาประมาณสัก20 ยีิเ็ดคนด้วยกันทั้งหมดยีิบเ็ดคนก็มาเยอะนะคะส่วนใหญ่เขาทาอะไรกันนะคะเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นอาชีพเป็นพระทั้งหมดหกรูปเป็นผู้ชายสี่ก็เป็นอาชีพอาตมากเขาไปสาวก็ทําอาชีพอะไรกันอ๋อคือที่ที่ฉันถามเนี่ยเผื่อว่าท่านไปแสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยที่โรงพยาบาลอ๋อไปที่วัดไปที่วัดมันเป็นวัดวัดหนึ่งชื่อวัดบุปผาวิปัสนารามที่อยู่ที่เวียงจานอ่อหลวงพระบาง แล้วก็เป็นคนที่อยู่ที่วัดคนที่รู้จักกันชักชวนกันมาปากตาปากมาอย่างนี้ด้วยอ๋อเป็นสถานที่ปฏิบัติด้วยที่โน่นใช่ใช่ใช่ท่านคะแล้วเราไปแสดงธรรมที่หลวนพระบางท่านแสดงธรรมด้วยภาษาอะไรค่ะภาษาไทยนี่แหละอ๋อเขาฟังรู้เรื่องกันหมดรู้เรื่องรู้เรื่องสาบทราบว่าท่านแสดงอยู่หลายชั่วโมงมากตั้งแต่แปดโมงเช้ายันบ่ายสามโมงอ๋อคุยกันอยู่นั่นแหะแล้วก็พานั่งสมาธิด้วยสามสี่รอบค่ะแล้วก็ คุยกันไปนะตอบคำถามด้วยะะก็ได้รับความพอใจก็เลยตามกันมาอเคค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของท่านพิบูลกับทางวัดป่าดอนหายศกอุดรธา น, นีก็เลยมาสนทนาให้ท่านได้ทราบเผื่อว่าท่านจะได้นึกภาพออกมากยิ่งขึ้นวิทยุเนี่ยผู้ฟังก็จะต้องการรู้อะไรมากได้มากกว่าโทรทัศน์นะคะท่นะานคะมันมีอะไในในเรื่องนี้ถ้าจะพูดถึงความเป็นพุทธเจนตีนะก็พูดถึงว่าถ้าเผื่อว่าเรา แสดงธรรมมีคำอื่นผู้เช้าแสดงธรรมเนี่ยอย่างละเอียดเลยเหมือนการไหยของที่คว่ำเปิดของที่ปิดจุดไฟในไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนหลงทางจะได้เห็นรูปเนี่ยพอบุคคลที่มีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะมีความพอใจแะจะมีความร่าเริงในธรรมอย่างนั้นพอมีความร่าเริงในธรรมมีความพอใจแล้วก็ที่จะควนขวายในการที่จะปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นเกิด น, นี้สอดคล้องกับการที่พอมีศรัทธาแล้วจะมีวิริยะเกี่ยวามเพียนเกิดขึ้นทันทีนรตรงนี้ จริงหรือไม่คะเวลาที่เราคุยกันแบบโลกโลกเราก็จะบอกว่าเม่ถ้าไม่มีศรัทธาสอยานะ่างมันไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้เลยบนโลกใบนี้อืศรัทธานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่พระเาบอกว่าต้องมีเป็นคุณสมบัติหนึ่งในของผู้เป็นโสราบันด้วยค่ะและที่นันก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้อยู่ก็เพราะศรัทธาในพระาศาสดา ข, ของเรานั่นแหละนะคะท่านพิบูลค่าเท่ากับการที่ท่านจะ ให้ความรู้เรื่องของพระพุทธองค์เพื่อเป็นการถวายบูชาในโอกาสที่ตรัสรู้เป็นเวลา 2,600 ปีแล้วผ่านไปหมดหรือยังคะหรือว่ายังมีรายละเอียดอีกในเรื่องนี้พูดถึงเรื่องของอินทรียซะหน่อยนะเพื่อจะให้ครบถ้วนไปทนะ <c oughs> ่านผู้ชมเคยพูดถึงเรื่องของอินทรีเนี่ยซึ่งจะทำให้คนบรรลุเร็วหรือบรรลุชา้าระดับขั้นตอนของเราเป็นยังไงอันดับแรกต้องเรื่องของความมีศรัทธาก่อนคืศนระัทธ <c oughs> านี่คือความามีความมั่นใจในคําสอนพุทธเจ้าพอมีศรัทธาแล้ว ก็จะมีความความเพียนนะความเพียนตรงนี้ก็คือวิริยะอินทรีย์คือวิริยะนะพอเรามีความเพียนแล้วเราก็จะตั้งจิตให้มีสติก็จะเป็นสติอ่าก็เรียกว่าอินทรีย์คือสตินะสติเราก็จะทำสมาธิเกิดขึ้นได้พอมีสมาธิล้วก็จะมีปัญญามีปัญญาปล่อยวางได้แล้วเนี่ยไอ้ตรงปล่อยวางตรงนี้พอเราปล่อยวางแล้วไอ้ความรู้ความเรียนต่างๆที่เราเรียนมามันจะวิ่งเข้าหากันพอวิ่งเข้าหากันแล้วมันก็จะเกิดความสบายใจขึ้นยิ่งมีความมั่นใจในคําสอนผู้เชี่ยวมากขึ้น ก็จะจบด้วยสัตยทยครั้งหนึ่งออืค่ะสําคัญมากในเรื่องของอินทรีใช่ไหมคะใช่อินทรีย์นี้อผู้บูชาบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่รู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ในสัตว์ทั้งหลายนะรู้ว่าสัตว์นี้อินซีย์แก่กว่าสัตว์นี้สัตว์นี้อินรีอ่อนกว่าสัตว์นี้แล้วจะแสดงธรรมในลักษณะไหนเพราะว่ารู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์นี้ไว้ยัง้น ค่ามีไม่ค่าที่ปรากฏในพุทธวจนะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าอ่มีผู้ที่ท่านได้มีโอกาสสอนเนี่ยไม่มีอินทรีย์ที่จ ะ, ะเข้าถึงธรรมะท่านได้เลยโอ้ยคนที่พระเจ้าไปสอนเนี่ยคุณโยมติ๋วต้องมีอินทรีย์สิไม่งั้นคงไม่ไปสอนหรอกไปเสียเวลาไปทําไมอ๋อคือต้องมีเชื้ออยู่ใช่ ใ, ใช่ <ไป S 1> ใช่ใชคือพอที่จะให้บรรลุทําได้ นะคือพวกที่ไม่มีอินซีเนี่ยคือมาถามเองเนี่ยพวกนี้ครนพวกปริพาชโชคพวกที่แบบไม่ศรัทธาอย่างนี้นะไม่ศรัทธามาถามถามเสร็จแล้วก็ไปไม่รู้ไม่เห็นอะไรแถมมาด่ายต่างหากนะพวกนี้คือจะเป็นลักษณะที่ะจะทําให้กวนเฉยๆนะพวกนี้ผู้ชาก็แสดงทาอย่างรัดกุมอยู่แต่ว่าก็เท่าที่พอที่เขาจะทําได้ก็ไม่ได้บรรลุอะไรเหมือนกันเด้อค่ะทีนี้ผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุอยู่ก็อาจจะต้องการทราบเหมือนกันนะครับว่าอตัวเขาเองจะรู้ได้ไหมว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์ อย่างไรอันนี้เรารู้ได้เลยตัวเราเองทำไมเราจะไม่รู้นะเรารู้ว่าเรามีศรัทธามากไหมหรือน้อยไหมะนะศรัทธาของเราเนี่ยจะถูกทดสอบอยู่ตลอดเวลานะมันจะถูกทดสอบจากอะไรทดสอบจากภาษานี่แหละสมมติเวลาคุณเจอภาษา ท, ที่ไม่น่าพอใจคุณไปหาหมอดูหรือคุณหาคําสอนพระพุทธเจ้าอ่าคุณถูกภาษาไม่น่าพอใจคุณด่าก็กลับไหมหรือว่าคุณสบายใจอยู่อ่าอันนี้นะคุณมีสติไหม คุณมีวิริยะไหมคุณเวลาอยู่ว่างๆคุณจิตใจลุ่มหลงไปในทางการหรือคุณเอามาทําความเพียรเอวเราเห็นเลยว่าเรามีอินทรีย์แก่กล้าขนาดไหนอืจริงๆแล้วเราก็พอจะรู้เราอยู่บางครั้ง<ช>เนี่ยค่ะท่านคะ <ๆ S 2> ่ะเหมือนกับว่างๆเราก็เปิดตถาคตภาสิตธ์บ้างหนังสือพุทธวจะนะบ้างอ่านมีคนข้างๆคุ้นเคยกันชงโงกหน้ามาดูอ่านอะไรอะ่ะแล้วก็อ่านอะไรอะ่ะ อ่านให้ฟังเลยอันนี้ก็ฟังเลยโยมติ๋วอ่าน้ผเรื่องเขาจะกระโดดพูดแบบนี้นะคะออแล้วบางทีคนสนิทเยอะมากเนี่ยอธิบายยากนะคะท่านคือเหมือนกับว่าอินทรีย์จะแก่กล้าของเขาอยู่แบบหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าอจะต่อต้านในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาศรัทธาไว้ก่อนอืมนีันก็ยากแก่การอธิบายตรงตรงนี้เขาเขาก็จะพูดอย่างนี้ค่ะดิฉันดิฉันจะถามให้ตรงประเด็นนะคะคือเขาจะบอกว่าโอ้ยเนี้ยเข้าใจยาก เอาแบบฟังรู้เรื่องอ่านรู้เรื่องดีกว่าถ้าสมมุติเรายัางยืนกรารว่าคำพุทธเจ้าน่ะสินะคะมันเจ๋งเป้งมากที่สุดตรงประเด็นมากที่สุดเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกหรือผิดคะหรือว่าจริงๆแล้วธรรมะของพุโทโธเนี่ยให้เขาเข้าใจในแบบที่เขาฟังง่ายๆก็ถูกแล้วมันเป็นอย่างงี้คือบางทีละขั้นตอนส ม, มมติถ้าเราบอกเขาไม่ฟังเนี่ยนะ ค, คือเวลานั้นเขาอาจจะไม่ฟังเราก็หาเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องบอกนะเอเวลาหาเวลาที่เหมาะสมถ้าเราคิดว่าเราจะเป็น เ, เราเป็นผู้ที่มีอุปการะแก่เขาเนี่ยเราก็หาเวลาที่เหมาะสมที่บอกกันแล้วกันอคื อ, อยังไงก็ตามก็ต้องยืนยันว่าพุทธวิชนันในเป็นของดีะของดีอะไรเราก็อยากจะให้เขาอ่ะนะเพราะฉะนั้นพอพอเรามีจังหวะที่เหมาะสมเราก็บอกเขาก็ได้อค่ะทีนี้อ่าถ้าพูดถึงว่า การที่เราจ ะ, จะพยายามให้เขาเชื่อว่าพุทธวจนะเป็นสิ่งที่จําเป็ น, นถ้าจะให้พูดแล้วเขาปิ๊งเลยเนี่ยรบกวนท่านช่วยพูดหน่อยได้ไหมคะโอ้โหอันนี้มันแล้วแต่อินรีย์ของแต่ละคนอที่อาจจะมาจะบอกได้ตอนนี้ก็คือว่าอินทรีเนี่ยมีวิธีการปรับอยู่ออ่สมมุติว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันคือเรามีความศรัทธาน้อย แ, แต่ว่ามีปัญญามาก ให้เราจะทํำยังไงให้ปัญญาของเราเนี่ยมาปรับให้ิศรัทธาของเราเนี่ยเพิ่มนะคือศรัทธาของเราเนี่ยมีน้อยเพราะว่าความเราไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าคําสอนว่าจริงไหมอะไรต่างๆองี้นะเอ๊เราจะทํำยังไงให้ให้เรามามามีความศรัทธามากขึ้นนะเรามาก็ไปเที่ยวหาอ่านเลยอ่านพุทธประวัติหมดอ่านที่เป็นอันตถคถาด้วยอ่านทุกอย่างที่จะทำให้ศรัทธาเราเพิ่มในคําสอนของรพระพุทธเจ้าให้ได้ น ะ, ะพอเราอ่านเรื่องนี้อ่านเรื่องนั้นอ่านความเพียรของครูบาอาจารย์อะไรต่างโอโ้โหมันก็มีกําลังใจมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นศรัทธาเราก็เพิ่มได้อย่างงี้อันนี้คือเราปรับของเราเองนะค่ะอันนี้และถ้าหากว่าจะใช้ประโยชน์จากตัวอย่างของท่านพิบูลน์ซึ่งอ่าท่านก็ปรากฏอยู่เป็นตัวตนที่แท้จริงที่ผ่านการที่เคยศรัทธาน้อยอืนะคะ<ช>มาจนถึงศรัทธาและตอนนี้มั่นใจได้พูดอย่างนี้ได้ไหมคะใช่มีความมั่นใจมาก นะคะจะบอกท่านทั้งหลายว่าบอกแบบที่ท่านได้เชื่อแล้วเนี่ยนะคะว่าคําพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเข้าถึงแล้วจะเกิดประโยชน์มากกว่าได้อย่างไรคะอืมเพราะว่ามีความถูกต้องในข้อมูลอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่เป็นมหาบุรุษเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถสอนได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าคําสอนของพระองค์นี้ก็บริสุทธิ์บริบูรณ เพราะฉะนั้นถ้าเรามารับรู้คำสอนนี้แล้วเนี่ยมันมีความละเอียดลึกซึ้งมีความสุขุมคุพิรณภาพมากกว่ามากทีเดียวค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากๆเลยนะว่างั้นนะค่ะเรชีวิตนี้ดิฉันก็มักจะพูดอย่างนี้นะคะก็ในเมื่อเรามีเวลาไม่มากนักอยู่แล้วทำนู่นทานี่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาในชีวิตที่เหลืออยู่เราก็ต่างไม่รู้กันนะคะว่ามันจะสั้นยาวขนาดไหนเราจะ ไปเดินอ้อมอยู่ทําไมใช่ออันนี้พูดแบบที่จำเนะะอือค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นว่ารายการนี้ยเรายืนยันที่จะนําเสนอในสิ่งที่เราเชื่อว่าจะทําให้ท่านทั้งหลายเนี่ยอมีโอกาสที่ดีที่สุดแหละในการที่จะเข้าถึงธรรมะของพระศาสดาแล้วนำเอาไปใช้ได้เห็นผลด้วยตัวของท่านเองอนะคะเราก็จึงมีกําลังใจที่จะเผยแผ่กันต่อไปโดยท่านเพบูร์เนี่ย จะให้ท่านได้ไปปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นพุททวจนะใช่ไหมคะในหลักสูตรเล่นของท่านใช่ใช่ะ ค, ะคือการปฏิบัติเนี่ยจะทําให้เรารู้ได้เห็นได้เองรู้ได้เองเห็นได้เองนั่นคือประการหนึ่งที่คนเขาไม่ศรัทธาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เห็นผลคคือถ้าให้เขามาเห็นผลแล้วเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจของเขาเองค่ะนะคะเราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสําหรับรายการชันสูตสนทนาที่ครอบครัวข่าวเอฟเอมร้อยหกแห่งนี้ และสำหรับวันนี้เป็นวันศุกร์ท่านพิบู์อาจจะหยุดไปจากรายการนี้แต่ว่าท่านยังไปอออากาศเรื่องของผู้ทวัจนะอีกทางสถานีทีทยุคกระจายเสียงทางประเทศไทยในเวลาเดียวกันด้วยจนกว่าจะถึงวันจันทร์ก็จะกลับมาพร้อมๆหน้าพร้อมๆตา ก, กันทั้งพระภิกษสุสองรูปและดิฉันด้วย น, น, นะคะในรายการนี้วันนี้กล่าบนามส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะเชิญพาค่ะท่านวัง ท, ที่ครบค่ะและทั้งหมดนั้นก็เป็นรายการสนสมมนาสนทนาในสัปดาห์นี้นะคะเราจะ มีหนังสือพุทธวนจะนะแจกให้กับท่านโดยขอให้ท่านติดต่อมาทางโทรศัพท์0 2 2 6 9 0 0 0 6ใครที่ได้ไปแล้วนะคะก็อย่าวางไว้เฉยๆค่ะสิ่งดีๆอยู่ในหนังสือถ้าเราวางไว้เฉยๆไม่หยิบมาอ่านเราก็จะไม่เกิดประโยชน์งอกงามอะไรขึ้นมาเลยพุทธวนจะนะจะนำพาชีวิตของท่านสู่ความสวัสดีและในวันหยุดนี้ท่านก็ลองไปปฏิบัติตาม ทำที่พระศาสดาได้สอนเอาไว้นะคะสำหรับรายการเรานัดมาพบเป็นม่ตี5ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์หน้านะคะพุทวสวัสดีค่ะ